ช่วงนี้หลายคนคงทราบนะว่าเทศกาลสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคือเทศกาลกินเจนะเริ่มเมื่อวันซืนเนี่ยนะแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงวันที่สี่นะตุลานะสิบวันจริงๆเทศกาลกินเจนเนี่ยหรือ ประเพณีถือศีลกินเจเนี่ยนะเดิมนี่ก็เป็นธรรมเนียมของศาสนาเต่านะในจีนเพราะเต่านี่นะเขเน้นมากนะเรื่องการกินเจแต่ต่อหลังก็แพร่หลายนะจกนกระทั่งคนที่นับสือของเจอก็ดีนับถือพุทธก็ดีด้วยพระพูดหมหาญาณ น, นี่ก็นับรับเอาธรรมเนียมหรือประเพณีนี้มาปฏิบัติปฏิบัติด้วย แล้วตอนหลังนี้ก็แม้จะไม่นับถือพูดหรือนับถือศาสนาอะไรเลยนะก็เข้าร่วมนะการถือศีลกินเจด้วยนะอย่างในเมืองไทยตอนนี้ก็เรียกว่าแพร่หลายกันมากนะนี่เราจะเห็นนะมีร้านค้ามากมายนะทำอาหารเจหรือว่า บริษัทห้างร้านต่างๆก็มีอาหารเจนานาชนิดนมกล่องเจนะหรือว่าผลิตภัณฑ์เจต่างๆมากมายจะว่าไปามันก็เป็นโอกาสนะในการาทำมาหาเงินนะของคนจำนวนมากบางร้านนี่ก็เรียกว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะ ในช่วง10วันนี้แหละเพราะว่าความนิยมของผู้คนในการกินอาหารเจโดยเพราะถ้ามีรสชาติแปลกๆมีเมนูที่ไม่เหมือนใครนี่ก็จะได้รับความนิยมมากจะว่ามันกลายเป็นกระแสไปแล้วก็ว่าได้และเดี๋ยวนี้เราก็จะเพราะว่ามันมีไม่นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ นะที่สนองความต้องการของคนที่อยากจะถือสีงกินเจแล้วดีนี้มันก็มีบริการใหม่ๆด้วยนะได้ข่าวว่าเนี่ยมันมีการาประชาสัมพันธ์นะรับจ้างกินเจแทนนะรับจ้างกินเจแทนนะหมายความว่า ใครที่อยากจะกินเจแต่ว่ายังติดอาหารเนื้อนะก็สามารถจะจ้างคนนะมากินเจแทนได้แล้วเขาก็คิดราคานะเป็นมาตรฐานเลยนะรับจ้างกินเจหนึ่งวันครบสามมือ้อคิดสามร้อยบาทรับจ้างกินเจสามวันคิดห้าร้อยบาท รับจ้างกินเจห้าวันคิดเจ็ดร้อยบาทรับจ้างกินเจเจ็ดวันคิดหนึ่งพันบาทถ้ารับจ้างกินเจสิบวันนะพร้อมอส่วนมนให้ด้วยนะสองพันนะส่วนมนให้ด้วยแต่ถ้าไปไหว้เจ้านะมีเพิ่มนะให้ไปไหว้เจ้านี่เพิ่มห้าร้อยบาทเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะ กินเจครบส0บวันแต่ทำไม่ได้นะถ้ามีเงินส5 0 0ันา้อยบาทนี่มีคนรับจ้างทำให้เลยนะมันก็น่าคิดนะว่ามีบริการแบบนี้นะเสนอผู้คนทำไมถึงมีบริการแบบนี้ได้นะก็เพราะมีคนจำนวนมากเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการกินเจเนี่ยมันทำให้ได้บุญ ทำให้เกิดสิริมงคลทำให้เกิดโชคลาบทำให้เกิดอายุยืนนะหายเจ็บหายป่วยพูดง่ายคือว่าการกินเจนี่ก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งและเมื่อทำบุญแล้วได้บุญก็จะเกิดโชคเกิดลาบตามมาใ้เรื่องการจ้างคนมาทำบุญนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเราจะเคยได้ยินช่วงเทศกาลโควิดนะัมีคนรับจ้าง บินรับจ้างใส่บาตรให้รับจ้างถวายสังกทานเพราะว่าออกนอกบ้านไม่ค่อยสะดวกเพรอยู่ในช่วงลอกดาวอยากจะใส่บาตรจะได้บุญนะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะใส่บาตรก็จ้างคนไปใส่บาตรเขาเตรียมอาหารให้พร้อมเลยอยากจะถวายสังกะทานแต่ว่าไปลําบากนะก็มีคนรับจ้างถวายสังกทาน พร้อมเครื่องสังกัดทานนะไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะอันนี้มันก็เป็นความสะดวกสบายนะทจริงๆเราก็สะดวกสบายกันมาหนานแล้วนะเพราะสมัยก่อนนี่เวลาเราจะใส่บาตเนี่ยเราก็ต้องปรุงอาหารเองทําอาหารเองเข้าครัวเองแต่ตอนหลังนี่นะไม่ต้องละมีเงินก็ไปซื้ออาหารถุงที่ตลาดหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มี delivery นะเราก็แค่ เอาอาหารเนี่ยไปใส่บาบอันนี้มันก็ก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ได้ใส่บาบด้วยตัวเองแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ต้องใส่บาบด้วยตัวเองแล้วเพราะตื่นสายมีคนรับจ้างไปใส่บาบให้แต่ว่าอันนี้ยังไม่หนักเท่ารับจ้างกินเจนะทําไมกินเจเนี่ยเราถึงเชื่อว่าได้บุญนะก็เพราะว่า มันเป็นการลดการเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นแล้วก็ยังแถมลดการเบียดเบียนตัวเองด้วยเพราะว่าอาหารเจนี่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรียงน้อยเนี่ยเป็นโทษต่อร่างกายเราน้อยกว่าอาหารที่เป็นเนื้อเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคมะเร็งนี่เพราะอาหารเนื้อมากเลยและนอกจากลดการเบียดเบียนสัตว์ลดการเบียดเบียน ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพบว่ามันลดการเบียดเบียนโลกด้วยเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมั น, ก, นก่อผนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากต้องถังป่าเพื่อที่จะปลูกทันยาพืชเช่นทัว่วหรือมันสัมพหลังเพื่อจะเลี้ยงสัตว์แถมยังใช้น้ําเยอะนะซึ่งพวกนี้เนี่ยล้วนแต่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นทําให้โลกร้อนในะนี้เขาก็มีการลงโทษให้คนเราเนี่ยกิน หรือว่ากินเจกินมังส ว, วิรัติกันมากขึ้นแล้วมันยังเป็นการลดความยึดติดในรสชาติอาหารด้วยเพราะอาหารเนื้อเนี่ยมันอร่อยกว่าอาหารผักอยู่แล้วในความรู้สึกคนทั่วไปดนั้นถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเจแม้สิบวันเนี่ยมันก็ช่วยลดการเบียดเบียนสัตว์ไปได้ไม่น้อยแล้วก็ลดการเบียดเบียนตัวเองลดการเบียดเบียนโลกอันนี้แหละคือเหตุผล ที่ทําให้การกินเจเนี่ยมันได้บุญนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจ้างคนอื่นกินเจนะแทนนะขณะที่เราก็ยังกินเนื้อสัตว์ยังกินเหมือนเดิมนะมันจะได้บุญได้อย่างไงนะเราก็ยังกินเนื้อสัตว์แล้วก็ยังกินอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพแม้จะอร่อยและเราก็ยังมีส่วนในการทําลายเบียดเบียนโลกเบียดเบียนธรรมชาติมันจะได้บุญได้อย่างไรนะอย่างที่เราไปเข้าใจว่าเนี่ย จะทำอะไรเนี่ยอยากได้อะไรก็ใช้เงินนะอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือทัศนคติสมัยใหม่นะจะเรียกว่าเป็นผลพวงของยุคบริโภคนิยมก็ได้เพราะบริโภคนิยมก็บอกว่าคุณจะมีความสุขได้ถ้าคุณมีเงินเพราะว่าเงินเนี่ยจะช่วยทาให้คุณมีสิ่งเสพบคุณเสรบมากมีมากครอบครองมากคุณก็จะมีความสุขมากนะและตอนหลังไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวนะ อยากเป็นคนทันสมัยมากมั่นนะอยากมีภาพลักษณ์ผู้หญิงเก่งก็ใช้เงินใช้เงินซื้อนะซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าซื้อโทรศัพท์มือถือที่มันสร้างภาพพป์ว่าเราเป็นคนทันสมัย mm hmm. เช่น iPhone, iPad เนี่ยเดี๋ยวนี้คนใช้เงินเนี่ยเพื่อตอบโจทย์นะหลายอย่างไม่ใช่แค่ความสุขแต่ความเท่ความทันสมัย เดี๋ยมันไปไกลถึงว่าเนี่ยอยากได้บุญก็ใช้เงินนะอยากได้บุญก็ใช้เงินใช้เงินซื้อนะใช้เงินซื้อบุญนะถ้ใช้เงินซื้อบุญด้วยการบริจาคทานเนี่ยนะหรือด้วยการซื้อเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าใช้เงินเพื่อที่จะจ้างคนมาทําแทนเนี่ยอันนี้มันหนักไปหนัก <c oughs> หนักข้อนะก็มันก็ว่าต่อไปนี้เนี่ยแทนที่เราจะรักษาศีลศีลห้า ชาวผูดเราก็เชื่อว่าการรักษาศีลเช่นศีลห้าเนี่ยมันจะทําให้ได้บุญต่อไปนี้เราขี้เกียจรักษาศีลห้าแล้วเราจ้างคนมารักษาศีลแทนจะได้บุญไหมจ้างคนมารักษาศีลแทนเราหรือว่าศีลแปดเนี่ยนะได้บุญมากกว่าศีลห้าแต่ว่าเรายังอยากกินอาหารเย็นเราอยากจะมีเพศสัมพันธ์นะก็เลยจ้างคนมาถือศีลแปดแทนเร า, านี้จะได้บุญไหม หรือต่อไปเนี่ยเราก็รู้นะว่าการเจริญสติการทำกรรมฐานเป็นของดีนะดียิ่งกว่าได้บุญยิ่งกว่าให้ทารักษาศีลแต่ว่าขี้เกียจมาภาวนาก็ไปจ้างคนมาลักษาศีลหรือยิ่งกว่านะั้นคือเจริญภาวนาเจริญสติแทนเราจ้างคนมาปฏิบัติที่วัดป่าสุกโตแทนนะตัวเองอยู่บ้านดูหนังไปจะได้บุญหรือเปล่านะต่อไปเนี่ยนะ รู้ว่าบวชเป็นของดีนะการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี่นะเป็นสิ่งที่พึงกระทําแต่ขี้เกียจบวชนะอยากจะเที่ยวเหมือนเดิมก็จ้างคนมาบวชแทนอย่างนี้ได้บุญไหมพ่อแม่ได้บุญหรือเปล่านะลองคิดแบบนี้ดูก็จะพบว่าเนี่ยไอ้ความคิดว่าเนี่ยจ้างคนมากินเจแล้วจะได้บุญเนี่ยนะมันเป็นความหลงทีเดียวนะมันไม่มีทางได้บุญหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็มีความเชื่อแบบนี้เยอะเพราะว่าเราเห็นเงินเป็นใหญ่ พอเดี๋ยวนี้เราจ้างคนทำการบ้านเนี่ยเด็กๆนี่ก็จ้างคนมาทำการบ้านเดี๋ยวนี้เห็นโฆษณารับจ้างทำการบ้านนี่เยอะแยะมือแล้วทางท w i t t e อร์ทางเฟซบุ o กนะรับจ้างสอบยังมีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปหลงติดอยู่กับความเชื่อว่ามีเงินทำได้ทุกอย่างมีเงินสามารถจะจ้างคนทำนั่นทำนี่ได้เพราะฉะนั้นจ้างคนกินเจซะเลยนะ มันจะได้ได้บุญเหมือนกับจ้างคนทำข้อสอบก็ได้เกรดได้ปริญญาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ความรู้ไม่มีในความคิดหรือความเชื่อในเรื่องการจร้างใช้เงินจ้างคนหรือซื้อบริการนี่มันตอนนี้มันแพร่หลายมากจนกระทั่งนะจ้างคนมาทำความดีจ้างคนมาทำบุญกุศลแทนเรานี่ก็ มีคนเชื่อนะอ่าไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มีการเปิดขายหรือประกาศรับจ้างกินเจรับจ้างไวจ้านะอย่างที่เห็นอันนี้ก็แสดงว่าทานอย่างบางค น, คนตอนนี้มันก็เพี้ยงไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องอ่ตั้งมั่นนะอยู่ในความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความดีมันต้องทำเองนะนะให้ทานเนี่ยอาจจะฝากคนไปใส่บาตรได้แต่ถ้าเรื่องการรักษาศีลการเจริญภาวนาต้องทำเองนะ ไม่มีใครทําแทนได้พ่อแม่ก็ทําแทนไม่ได้เรามีกรรมเป็นของตนนะไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทํากรรมดีให้เราหรือทําดีแทนเราได้มันไม่ได้นะมันต้องเข้าใจนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดเพี้ยนค้าศึกลื่อนจนกระทั่งไม่ทําดีเองแล้วจ้างคนอื่นทําเพราะว่าไปหมอว่าเงินเนี่ยคือคําตอบ